เรื่องอดกลั้นเวทนาสองเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือท่านตอบว่าคนทั่วไปไม่สามารถอดกลั้นได้ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุ เธอไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่22สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอ า, าพาธภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าท่านยังสบายดยีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือท่านตอบว่าบอตุชนไม่สามารถอดกลั้นได้ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ